อนาปติวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ551รหินึ่งพิกษูตทาจีวันต่ำกว่าขนาดสองพิกษูได้จีวันที่ผู้อื่นทาเสร็จมาตัดแล้วใช้3ภพิกษุทําเป็นผ้าเพดานผ้าปูพื้นผ้ามา่านเปลือกฟูกหรือปลอกหมอน4ภพิกษุวิกลจริต5ภพิกษูต้นบัญญัตินั่นพระสิขาบทที่ส0จบรัตนวัคที่เกจบ